มไผทางใต้เบาดังแถวบ่ะเพราะมีลวดเ่าแถวเนี่ยวะ่ะกันมีลวดนันจิบ ป, ปากเข้ปากกับแก่หลวงพ่อว่า <c oughs> พวกเขาเคยเห็นบกก่บแก่เน่ยเขาจบับแก่ไปขายเพราะจับใดตัวใดนี่ยเขายามันกัดหางมูนออกไปมันอาปากได้กับแก่มันบ่ละบ้านเ้าเขาก็ใส่ลวดเนี่ยนะเย็บปากมันไวนเน้เย็บปากมันก็จะ อ, อาปากได้เยิบ ป, ปากกับแก่เาเอาก ว่าญาตมันเจ็บสักหน่อยได้กว่านา้ไปแย่ตางเรื่อง ๆ, ๆสอดลงไปทางไตใส่ข้างมันเลยเอาลวดขันขันขันไวก่ น, น, น, นไปปากกับแกมก็อาปากพอดายเลยอันนี้คือกันนะี่ยพอดอยู่ในวัดเท่าพอดเยว่าดังบมจักมองจักทีเน่ยหลวงพ่อจะเอาลวดยิบ <laughs> <laughs> ป, ปากไว้ว่านี่ยินงบอกเ <laughs> <laughs> มื่อเช้าหลวงพ่อไปบินเท่าบาท เห็นล็อกเก็ตแขวนคอโยมคนหนึ่งแล้วก็ว uh? oh. ันก่อนก็มีโยมเอาล็อกเก็ตมาให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อปลุกเสกให้ด้วยเป็นล็อกเก็ตใครหรอเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่ออินงั้นโห้หลองพ่ออินดังขนาดนั้นเลยเห็นว่าเรายังไม่รู้เนี่ยวะมาจากไหนล่ะวะ มาจากวัฒนยงเหมือนนะท่านยงเป็นคนทําล็อกเก็ตหลวงพ่อโทท่านรงท่านยงเนี่ยอยาหาทางรวยทางรัดตัวนี่วะบอกหาทำไปหาขายเหรียญหลวงพ่อตัวนี้วะผู้ใดก็าตามนะลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยถ้าหลวงพ่อรู้ชัดๆเรียกมาเตือนแล้วไม่ฟังนะหลวงพ่อจะขีดเส้นเหมือนกับขีดช็อกกันมดอย่างนั้นอนะ่ะพวกเราเคยใช้ช็อกกันมดไหม ขีดเลยวงั้นห้ามเข้าวัดป่านาคำน้อยเด็ดขาดเข้าใจไหมหลวงพ่อมองดูแล้วเนี่ยเรื่องล็อกเก็ตเรื่องเหรียญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผลประโยชน์อันตรายมากทั้งที่ท่านสอนให้รู้จักศีล ร, ร, รู้จักธรรมเห็นไหมเอ็มพสามหลวงพ่อหลวงพ่อเคยแจกแจกแล้วเคยหาเงินไหมมิใช่แจกให้พี่น้องลูกหลานเอาไปฟัง เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ปีนี้ก็เนี่ยกระถินเนี่ยถามเสียต้องว่าค่าใช้จ่ายในซีดีของหลวงพ่อเนี่ยเท่าไหร่คงประมาณหนึ่งล้านหลวงพ่อนะพนุ่นไม่ใช่ธรรมดาหลวงพ่อเอามาจากไหนเนี่ยศรัทธาญาติโยมเอามาให้หลวงพ่อพก น, น, น่าจะเกิดประโยชน์ แต่ไม่ใช่ว่าทำแต่ของหลวงพ่อนะปีนี้ทำของหลวงตาด้วยของหลวงตาที่เราทำมาแจกเขาก่อน10บแผน่น10แผน่นเราก็จะบอกเอาห้าตลับนะอย่างคือเราแจก10บแผน่นกระเป๋าเดียวมันเกินไปสำหรับให้ชาวบ้านเอาไปเขาไปอาจจะม่ได้ฟังทิ้งทิ้งขง่วงข่วง ถ้าเอาเป็นแผ่นไปเอติดในรถไป <Yeah. S 1> วันไหนว่างก็ฟังไปอย่างน้อยก็ซึมซับเข้าสู่จิตใจบ้างเพราะธรมธ ร, มธรมเทศนาขององค์หลวงตาหนะลวงพ่อก็สั่งให้เอารรมมาห้าตลับตลับละสองแผนนะ่นมันเป็นสิบตลับในกระเป๋าก่อนเป็นเป็นกระเป๋าสิบตลับ แต่หลวงพ่อฟังดูแล้วใครๆก็ยอมรับโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้เป็นคนที่เป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของหลวงตาเพราะเราคัดสรรคัดสรรธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยใครเขว่ากันไหนที่เด็ดกันไหนที่เป็นภาคปฏิบัติกินกันไหนที่หลวงตาเทศและกินใจเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ประทับใจเราก็ออกกันนั้นเลือกคัดสรรกันนั้น มาใส่ในสิบแผ่นนี้เพราะนั้นถ้าว่าผู้ใดได้ฟังในสิบแผ่นนี้แต่บางกันก็เสียงไม่ค่อยดีแต่เนื้อหาสาระดีมากเรากับเขาก็เลยบอกถึงจะเนื้อเสียงไม่ดีแต่ผู้ในภาคปฏิบัติแล้วควรจะเอาเนื้อหาสาระมากกว่าเสียงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งจะต้องคละกันไปใน MP3 สที่ สิบแผ่นนั้นนี่แหละก่อนที่จะทําอะไรหลวงพ่อก็ได้กันกลองไตรตรองพอสมควรอย่างนั้นของหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ได้บอกว่า MP3 ของหลวงพ่อเนี่ยทั้งหมดรวมกันทั้งชุดโดนใจธรรมะอะไรที่นอกเหนือไปเรืวว่างงานหลวงปู่จามเรืวว่างงานหลวงตารวมกันทั้งหมดมัน70กว่าแผ่น เจ็ดสิกว่าแผน่นควรจะทําเป็นกระเป๋านะากระเป๋าคล้ายๆว่าเก็บรวบรวมไว้ซะต่อไปหลวงพ่ออาจจะพูดล่อยล้อลงไปเรื่อยๆเพราะอายอาุมากขึ้นตามลําดับเราจะไปพูดอย่างเก่าก็คงไม่ไดเ้เพราะนั้นขอเอาจัดให้เป็นชุดไวซะคล้ายๆว่าเป็นคลังแล้วว่าเป็นที่เก็บเอาไว้ให้ชุดนึง อ, อันนี้เขา ก, กำลังทํามา 70กว่าแผ่นทำเป็นกระเป๋าแต่กระเป๋าหนึ่งก็ไม่ใช่ราคาถูกเท่าไหร่นะกถามถามดูเสียต้อมผู้เขาประสานกระเป๋าหนึ่งเกือบประมาณ800หลวงพ่อเนาะไม่เป็นไร mm hmm. ทำมาสัก1 0 0 200กระเป๋าก็น่าจะพอมากแต่ไม่น่าจะเกิน3มนะควรจะเก็บไว้เป็นคลังเอาไว้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งจากนั้นก็ปีนี้จะมี MP 3ออกประมาณ10แผ่น ใน แ, แจกงานกระถิ่นเนี่ยมาวันนี้แหละเอ็มพีสามจะมาวันนี้ประามาณรถปิกอัพสองคันจะมาส่งแล้วในสิบแผ่นนั้นจะมีชาดกเอาชาดกในการต่างๆมารวมกันแล้วก็เป็นแผ่นสองแผ่นในตลับหนึ่งที่มีผู้ร้องขอและมีพูดขอมาหลวงพ่ อ, อเอเอเมื่อไหร่เมื่อตลาดต้องการอย่างนี้ เกิดประโยชน์เราก็ให้ไปเพราะว่าการพูดชาดกก็ไม่ใช่โมเมียก็จะพูดแต่เรื่องชาดกอย่างเดียวก็ไม่ใช่เกิดเรื่องยกในปัจจุบันพอยกปัจจุปัจจุบันขึ้นมาแล้วก็นี่แหละหลวงพ่อก็พูดไปในพ่อแมเอ่เลี้ยงลูกมาทั้งที่จะได้ลูกลูกจะต้องเลี้ยงตอบพระคุณของพ่อของแม่ผลที่สุดพอเลี้ยงใจมาแต่งานลูกสะภ้ายกับ คิดฆ่าแม่ญาเอาแม่ญาตไปมัดไว้ในตีนเขาให้เสือกินนี่แหละลวงพ่อก็พูดลักษณะอย่างนี้ใค ร, ครว่าเป็นชาดกก็เป็นนิทานเปรียบเทียบให้ฟังอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งรวมแล้วก็เป็นสิบแผ่นในตลบนั้นแล้วก็แยกอีกอย่างละสองละสองอีกรวมกันแล้วก็รวมกันทั้งหมดเป็นเงินขนาดนี้เป็นปัจจัยขนาดนี้ อันนี้คือเสียต้อมเขาประสานหลวงพ่อเออเอาไม่ต้องหนักใจอพอหลวงพ่อได้สั่งไปแล้วไม่มีปัญหาในเมื่อมีปัญหาหลวงพ่อมองเดี๋ยวไม่มีปัญหาก็ทำํำนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเพื่ออะไรอันนี้ก็คือเพื่อพระธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่า m p 3ของหลวงพ่อที่แจกไปจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ฟังเบนเสียแต่ผู้ไม่ฟังนะผู้ไม่ฟังก็อย่างว่าเอาไปแล้วก็เป็นหนุนเป็นหมอนมันหมอนก็ไม่ได้พอฟังกิประลำเปลือกทั้งหลับทั้งตื่นไม่ตั้งใจฟังถ้าอย่างนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าาว่าบางครั้งอาจจะมีความทุกข์ในใจ ในช่วงนั้นก็คงจะตั้งใจฝังบ้างนี่แหละอันนี้ก็คือ MP3 สที่หลวงพ่อแจกหลวงพ่อก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะคิดได้ประโยชน์ทุกคนที่แจกไปก็ไม่ได้คิดว่าอย่างนั้นแต่ทำยังไงได้มีเมล็ดข้าวอยู่ในมือเราก็ต้องหวานบางเม็ดเราก็มั่งเราก็มุ่งหวังมุ่งหวังว่าหวานลงไปนั้นคงจะเกิดประโยชน์เราจึงหวาน ลงในท้องนาแต่บางเม็ดมันอาจจะไปถูกกิ่งไม้ไปค้างในกิ่งไม้ไปค้างในก้อนหินก้อนเล็กเล็่ทอาไปค้างที่มันแห้งข้าวมันก็งอกไม่ได้เพราะเห็ดไรเพราะมันไปค้างในก้อนหินไปค้างในกิ่งไม้ไปค้างในใบไม้ข้าวเม็ดนั้นก็เสียไปแต่ถ้าว่าเม็ดไหนลงไปถูกดิน ถ, ถูกในความชุ่มชื้นมันก็งอกเงยขึ้นมา มันก็เป็นต้นเป็นลำขึ้นมานี้ก็เหมือนกันถ้าเราให้ไปบางคนเอเขาหมูเขาเอาไปเขาเอาไปอย่างงั้นแหละโดยที่ไม่ได้อยากได้หรอกไม่เขาลบนับถือเริ่มงใสอีกต่างหากเนที่ให้ที่เขาให้มามารับมาเอาไปถ้าไม่เอาไปก็ยังไงอยู่แต่เราจะเลือกให้ก็ไม่ได้เอาใครไม่ต้องการเขาก็ต้องการเพราะว่าเห็นเขาเข้าไปตัวเองไม่เข้าไปก็ยังไงอยู่นะ ก็ไปเอาไปเอาไปเอามาเอามาแล้วกัเนี้ยไม่ฟังคือสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อไม่ใช่ว่าหลวงพ่อไม่คิดนะหลวงพ่อคิดแต่คิดว่าแจกดีกว่าไม่แจกให้ดีกว่าไม่ให้ธรรมะนะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ลงทุนแจกไปในกรุงเทพแต่ผลสะท้อนย้อนกลับมามีไหมหลวงพ่ออันนี้มากมายมหาศาลที่ ศรัทธาญาติโยมได้ฟังแล้วแล้วก็เสียงสะท้อนย้อนกลับมาแต่ถึงยังไงเกือบที่ได้ไปและบางคนก็ไม่รู้จะฟังเพลงฟังล่มแล้วก็เบื่อพนทังสุวเกิเสียบเอ็พสหลวงพ่อเข้าไปในรถก็ฟังพอฟังเพลงฟังลัมมันเบื่อฟังเทศบ้างแต่พอเบื่อฟังเทศกันกลับไปหาที่เกาอีกแต่ถึงยังไงก็ฟัง ถ้าหาว่าตกไปถ้าตั้งใจฟังหลายครั้งต่อหลายหนหลวงพ่อว่าสิ่งที่ควรรู้คงจะคงจะได้รู้สิ่งที่ได้ได้ยินได้ฟังนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือการหลวงพ่อได้พวกบวกลบคูณหารเรื่อง MP ็สแต่ว่าเรื่องเหรียญของหลวงพ่อเน่ยหลวงพ่อไม่ควรเพราะหลวงพ่อเห็นแล้วบางทีก็ผลประโยชน์ที่แรกทํำใหม่ ก็เพื่อแจกกันเป็นของสำลวย เ, เพื่อเห็นกันและก็แจกกันต่อไปเขาเนี่ยไม่ใช่ของได้มาฟรีนะแจกเนี่ยเหรียญละเท่านั้นเท่านี้นะอลงทุนเท่านั้นเท่านี้นะอจากนั้นก็เนี่ยแหละแจกต่อไปก็ขายเหรียญไม่ได้ขายแบบเช่าพนักงานเช่าเหรียญเช่าเหรียญหลงพ่ออินออต่อไปก็เกินไปหมดเลยไม่มีอะไรจะแขวนะ ปเปแขวนหลวงพ่ออินใส่คอหมาขี่เหรือนอีกต่างหากจากนั้นก็นทะเลาะกันอีกเลยคนนั้นได้ขายเหรียญพระองค์นั่ะได้ขายเหรียญหลวงพ่ออินนู้นได้รถปีเอ็มนู้นนะได้รถเบนซ์นู่นนะรถปิกอัพนู้นนะรวยพราะขายหลวงพ่ออินเราไม่อยากจะดีดอย่างนั้นผลที่สุดทะเลาะกันในบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายหลวงพ่ออยากจะให้เอาธรรมะ ไปปฏิบัติกลับไปกรรมเอาขี้เอาไปใช้ไปให้ทะเลาะกันขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอ่ะมันดีไหมเพราะฉะนั้นขอฝากไว้นะบอกนะหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะบอกนะถ้าใครองค์ไหนก็ตามถ้าไปทําอย่างนั้นขึ้นมาเนะี่ยหลวงพ่อจะขีดเส้นเหมือนกับช็อกกันมดอย่างนั้นอนะพวกเราเคยเห็นมหมช็อกกันหมด เราไปอยู่เนะขีดไว้ไม่ให้เข้ามาวัดเนะี่ยไม่ให้มาหาหลวงพ่ออินนะเนีย่ยยาทำทำไปแล้วไม่เป็นมงคลหลวงพ่อห้ามแล้วจุดถ้าทำของครูบาอาจารย์เราก็ไม่ว่าแลยเพราะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์แต่ล เ, เรื่องของหลวงพ่อนะี่อย่าอย่าทำนะถ้าทำกันเนะี่ยเอ็มพีสามอะไรแจกไป เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้นะอันนี้จะเกิดประโยชน์ตรงพอมองแล้วแต่เรื่องเหรียญไม่มันเกินไปหมดแล้วใครใครก็อยากจะได้นะเรื่องเหรียญพอทําขึ้นมานะั่นเหรียญหลงพ่อนั่นเหรียญหลวงพ่อนีอ่ผลในสุดทะเลาะกันเห็นพระภูเจ้าก่อนพระมีแตล่ลายทั้งนั้นเลย เ, เหมือนจริงกว่าตุ๊กแกผลในสุดก็ไปคุย ปลามกันเลยเหรียญของหลวงพ่อของผมนแน่นะ เ, เคยอยู่ยงคงกระพันฟันไม่เข้ามาแล้ว อ, องค์เหนือเจงเหรอถอดมีดมายำหัวเลยพวะไปเห็นมันอหัวผลที่สุดเห็นเลือดอาบมาเห็นต่บยบริขารใหมอ่อยู่ในหลังศาลาภูจกรเราไปเห็นเอะไรเนี่ยวะ พระมีดฟันหัวกันมา้เอาทำไมเออเพราะเอาอาจารย์ต่ออาจารย์ปวดจาักราต่อกันอาจารย์ข่าขังอาจารย์ฆ้าเธอไม่ขังอาจารย์ฆ่าในขังเนี่ยองค์นั้นขังจริงเหลือถอดมีดออกมาจ้ำหัวเลยองั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยองค์นั้นไปไหนหรอองค์นั้นเปิดแล้วเปิดแหนบลงทางหลังภูเจคอกนูอนลงไปทางหลังนู้นเออเนี่ยมันดีไหมอย่างนั้นเราดูแล้วมันเป็นยังไง เพราะนั้นมันสิ่งเหล่านั้นมันมันเรื่องของโลกมันไม่ใช่เรื่องของธรรม เ, เราสอนเพื่อธรรมเราสอนเพื่อมรักผลนิพพานเราสอนเพื่อคุณงามความดีคิดดีทาดีพูดดีไม่ใช่สอนใส่ขีโ้โรคขี้โกธขี้หลงนะให้ขายหลวงพ่ออินในเงินเท่านั้นเอามาสร้างอันนั้นเอามาสร้างอันนี้ ขนาดที่นับถือเลื่อมใสโจของก็ยังขายขายพระรัตนตรัยขายพระพุทธขายพระธรรมขายพระสงฆ์ขายพระพุทธคืออะไรเนี่ยละขายพระพุทธรูปเห็นไหมเช่าพระพุทธรูปนะขายพระพุทธรูปขายพระธรรมนี่คืออะไรขายคําสอนขายพระสงฆ์อย่นี้ล่ะขายกระทั่งสาระของตนเองเป็นเงินไปหมดมันถูกต้องไหมที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง วันนี้เป็นวันที่สิบเดือนตุลาคมพุทธศักราช2องพหรห้าสบเจ็ดมื่อวานหลวงพ่อได้ไปแสดงธรรมที่วัดโพธิสมพรตอนบ่ายโมงงานของหลวงปู่พระอุดมยานโมลีอายุร้อยสามนปะีแปดสิบสามพันศาที่หลวงพ่อได้ไปแสดงธรรมเมื่อวานนี้ วัดโพธิสมพรรู้สึกว่าพี่น้องประชาชนแน่นศาลาปฏิบัติธรรมเต็มไปหมดแต่หลวงพ่อก็ได้แสดงความคิดเห็นในเทศแนวปฏิปทาของสายหลวงปู่มั่นให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ได้ฟังจากนั้นก็ได้แจก m p 3คนละสามตลับมากับปอหนังสือแนวอรยิยสัจ เอาหนังสือไปห0 0รยังเหลืออยู่ไม่ไม่ถึงห้าหสบชุดมั้งก็คนมากพอสมควรอยู่อที่เมื่อวานนีจัดนั้นก็หลวงพ่อก็กลับมาถึงวัดก็ยังไม่ค่ำเมื่อวานนีนี่แหละท่าภาระธุรกิจธุระของหลวงพ่อนะแต่ไปเทศเขาถวายการเทศเมื่อวานนะรวมได้ได้ส0 0 0 0่นกว่าบาทมั้งหลวงพ่อก็มอบให้งานทั้งหมด เขาบอกว่าเขาถวายปัจจัยผ้าไตรหนังสือตู้เอกสารหลวงพ่อเออตูเอกสารกับหนังสือหลวงพ่อรับแต่ผ้าไตรกับจตุปัจจัยนั้นมอบไว้ในงานเนะ้อเพราะจะได้งานจะได้ใช้ต่อไปผ้าไตรก็จะได้ถวายครูบาอาจารย์แล้วก็จะปัจจุปัจปจัยจะได้ใช้ในงานงานงานใหญ่งานหลวงปู่ ส่วนตัวเอกสารนะเอออันนั้นเฉพาะเจาะ จ, จงแล้วกับหนังสือหนังสือหลงปูมั่นหนังสือปฏิปทาที่เขาถวายมาหลวงพ่อรับสองอย่างแหละเมื่อวานแล้วก็งานของพวกเราให้ช่วยๆกันดูนะวันนี้เป็นวันที่สิบแล้วเนี่ยวันที่สิบสิบเอ็ดสบสองก็เป็นงานกระทินแล้ะ สามวจริงวันพรุ่งนี้พวกเราหน้าจะออกไปฉันข้างนอกนะฉันสลาใหญ่เพื่อเตรียมพร้อมเตรียมเตรียมความพร้อมมาไว้นะ เ, เพื่ออึงไหนอันไหนที่ขาดเหลือขาดตกเราจะได้ดูวันพรุ่งนี้ให้กูบาทั้งหลายไปฉันข้างนอกออแล้วก็วันนี้ MP3 ก็จะมาก็ให้ช่วยๆกันดูมาสองรถปิอัพนะวันนี้ สราบว่าอย่างนั้นเขาจะสงเข้ามาเพื่อแจกในงานกระถินของพวกเราเนี่แหละแต่จะแจกอันไหนบ้างเดี๋ยวหลวงพ่อจะดูสัก่อนหลวงพ่อจะสั่งสักก่อนว่าจะแจกอะไรใน MP3 แล้วก็พร้อมกันกับวันที่<ม>วันนี้วันที่10วันที่11ให้พร้อมทุกอย่างให้ครูบาทั้งหลายช่วยๆกันหลวงพ่อเนี่ยถึงยังไงหลวงพ่ออยู่ในที่กันดา น, น้ําอยู่ที่ภูโจกเน เพราะนั้นมาอยู่ที่นี่ถึงจะน้าอุดมสมบูรณ์หลวงพ่อก็ยังเน้นเรื่องน้ำให้ช่วยๆกันดูน้ำมาจากที่ไหนบ้างาแล้วมีประตูน้ำอย่างไงบ้างมีถังน้ำกี่ถังให้ใส่ให้เต็มไม่ใช่ว่าจบงานขึ้นมาแล้วน้ำไม่ไหลไม่ไหลเพราะอะไรเพราะคูบา ล, ลืมเปิดประตูน้ำไหมเหล่านี้มันเคยมีอยู่นะพระในวัดของเราเพราะองค์ที่ทำหนึ่รู้แต่องค์เดียว ไม่บอกไม่แนะนําหมูพกเพื่อนแต่ไม่จริงวัดนี้ไม่ใช่วัดของผู้ใดผู้หนึ่งไม่ใช่วัดของหลวงพ่ออ่าไม่ใช่วัดของพระกอพระขอพระงอเป็นวัดของทุกองค์ต้องรับผิดชอบร่วมกันมีอะไรก็ต้องบอกเอออันนี้อยู่ตรงนี้นะอันนั้นอยู่ตรงนั้นนะเออไม่ใช่ว่าพูดเขาไปงําพูดเอาไปเออกลัวเขาจะรู้เรื่องอันนั้นแปลว่าใช่ไม่ได้พระคับแคบต่อไปภายภาคหน้าศาสนาจะอยู่จะอยู่ได้อย่างไร ถ้าพระคับแคบใจคับแคบอย่างนั้นหลวงพ่อสอนพระไม่ใช่ให้คับแคบนะให้กว้างขวางแต่ไม่ใช่เปิดเผยทุกอย่างไม่ใช่อันไหนควรจะปิดอันไหนควรจะเปิดเหมือนกับร่างกายของเรานะไม่ใช่ว่าแก้ผ้ากางสางไปอย่างนั้นไม่ใช่ อ, อ่อันไหนควรจะปิดอันไหนควรจะเปิดอันไหนคือไม่เกิดประโยชน์อันไหนควรจะมันเกิดประโยชน์สิ่งเหล่านั้นหลวงพ่อสอนให้ใช้ปัญญาทั้งหมดให้ใช้ความรอบคอบทั้งหมดในการเป็นอยู่ การอยู่ด้วยกันเพราะนั้นให้ดูเรื่องน้ําเรื่องไฟคลุเหมือนกัน เ, เรื่องน้ํามันน้ามันอสายฟงสายไฟ เ, เครื่องทําไฟเครื่องสํารองหนึ่งสองถ้าว่าเครื่องต้นข้างในเป็นไงอย่างน้อยก็มีเครื่องสํารองตัวที่สองเตียงไว้อีก เ, อเพื่อใช้ข้างนอกมีไหม เ, เพื่อไม่ให้มันมืดจนเกินไปผู้คนมันมาม า, มากนี่แหละต้องแผนหนึ่งสองสาม ให้เตรียมไว้อันนี้หลวงพ่อมีแต่ว่าเป็นผู้บอกกล่าวแนะนําถ้าหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวนะเอ อ, อาจจะขัดตกบกพร่องก็ได้หรืออาจจะเก่งกว่าหลวงพ่อก็ได้มันอาจอาจทั้งสองอาจแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังพิตกกงังวลงานผ่านไปนู่นแหะหลวงพ่อจะตำหนิหรือชมอ่าเอองานคราวนี้ของเราเออพร้อมบริบูรณ์นะพระเนนลูกหลานจต่ายญาติโยมผู้เกี่ยวข้องนะ ถูกต้องแล้วรักษาไว้นะรักษาจุดนี้ไว้อย่างนี้แหละดีละถูกต้องนะแต่บางปีนหลวงพ่อที่ผ่านมาน้ําในห้องน้ําลไม่ไหลเพราะไม่ไหลเพราะอะไรเพราะครูบาไปปิดประตูน้ําไว้ลืมเปิดเลยหลวงพ่อได้ยินยังจําไม่ลืมประทั่งเดทยวนี้เห็นไหมอันไหนที่มันไม่บวกพ่องหลวงพ่อจําไม่ลืมน่ะเพราะฉนั้นขอให้พวกลูกหลานทุกองนะให้ช่วยช่วยกันคิดช่วยช่วยกันทําให้ช่วยกันดูแล มันหนักก็เพียงสองสามวันเท่านั้นนะเออมันไม่ใช่หนักตลอดทั้งปีทั้งชาติหนักแผมเพ็บเดียวเออแล้วก็มันก็ผ่านไปมันไม่ใช่หนักแต่พวกสู่เจ้าทั้งหลายมันเรามันไม่ใช่สู่เจ้าไม่เห็นมันหนักอันหนักหนักอะไรหลวงพ่อเน่หลวงพ่อมันหนักใจนะไม่ใช่หนักกายเหมือนสู่เจ้าสู่เจ้ามันเพียงหนักกายทำงานหน่อยพักพอทำงานเสร็จแล้วไปพักนอนหายเหนื่อยแล้วก็จบนะ แต่หลวงพ่อนะถ้ามันเสียหายขึ้นมาเ่ยทั้งชาติทั้งชาติหลวงพ่ออินเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ทำอย่างงู้นําอย่างนี้เน่มันเสียหายเสียหายไม่ใช่เสียหายหลวงพ่อเสียหายพระพุทธศาสนาอีกทีเนะเสียหายวงการเสียหายสถาบันพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนะเรื่องเหรียญเรื่องอะไรก็ตามหลวงพ่อบอกว่านะมันจะเสียหายนะนี่แหละ มันไม่ใช่เสียหายหลวงพ่อเนะ่ยเสียหายวงการนะเขาดูถูกได้นะหยุดนะอย่าทํำใ้สิ่งที่มันไม่ดี น, ะนี่แหละอบอกกล่าวเอให้พวกเราทุกๆคนนะจะช่วยกันแต่วันพุ่งนี้นายจะไปฉันข้างนอกไปฉันที่สลาข้างนอกเพราะเตรียมให้เตรียมพร้อมเตรียมความพร้อมอทํามันพร้อมแล้วก็อก็ดีนะถ้ามันไม่พร้อมจุดไหนก็ช่วยๆกันทํา แต่อย่าไปทะเลาะกันเท่านั้นใครทําหน้าที่อะไรแบ่งงานกันใครมีหน้าที่อะไรอย่าไปแย่งกันงานการทำคนนั้นทนํนี่โอง น, นี้ทานั้นสลับกันไปสลับกันมาหมุนเวียนกันไปมาการทำการทํางานนี่แหละถ้าว่าทาได้อย่างนั้นดีแต่อย่าไปออกหลอกลูกนอกทางนะพระนะต้องสารวมระวังนะออแต่เราสอนให้ใช้ปัญญาแต่ปัญญาของนเป็นเสือกหน้าเสือกหลังอีก อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดอย่งออกขอบนอกขอบจักรวาลนั่นนะแนวเราที่ไม่บอกบอกออกปัญญาอย่างนั้นนะอปัญญาพิเรนพิเรนปัญญาโง่โง ộ นะ่ไม่ใช่มันปัญญานะผลในสุดความเสียหายเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาจากใครเกิดขึ้นมาอยู่ที่วัดป่านาคําน้อยองค์ที่พระกอพระขอพระเสื่อพระโง่ทั้งหลายแหละมันทําความชั่วไปแล้วหนีออกจากวัดไปแล้วใครจะไปตามดูใครจะไปรู้ แต่วัดวาศาสนาเดีเสียหายเพราะนั้นอย่านะพระเนรทองนะสัมรวมระวังนะให้มีศีลนะศีลาจารวัดนะอย่าทําให้เสียหายนะถ้าตัวเองจะตายจริงอยู่ทําไมวัดนี้ไม่ต้องการคนชั่วพระชั่วคนชั่วนะต้องการคนดีพระดีอยู่ในวัดนี้เพราะนั้นตัวเองที่มันจะชั่วนะอย่าอยู่อยู่ทําไมอยู่ให้หนักวัดเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟัง ไม่ใช่พูดให้เสาสาราฟังนะฟังพวกเราทุกคนฟังพวกให้เราพูดให้พวกเราทุกคนอยู่นนี้นะฟังนะหลับพร อ, อนโมตนาให้พร